โหหารวักหมวดว่าด้วยการใช้โวหารภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรนอแลไม่ควรพูดในสงฆ์พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าไม่ควรพูดในสงฆ์องค์ห้าคือหนึ่งไม่รู้อาบัติสองไม่รู้สมุทฐานอาบัติ สามไม่รู้ประโยคอาบัติสีไม่รู้ความระ ง, งับอาบัตห้ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรพูดในสงฆ์องค์หคือ 1. รู้อาบัตส 2. รู้สมุทฐานอาบัตสารู้ประโยคอาบัต สี่รู้ความระงรับอาบัตห้ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหละควรพูดในสงฆ์ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อีกอย่างไม่ควรพูดในสงฆ์องค์หคือ 1. ไม่รู้อธิกร 2. ไม่รู้สมุทฐานอธิกรณสไม่รู้ประโยคอธิกร สีไม่รู้ความระ ง, งับอธิกรณ์หไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลไม่ควรพูดในสง์ภิกษุควรพูดในสง์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรพูดในสง์องค์5คือ 1. รู้อธิกรณ์สรู้สมุทฐานอธิกรณ์สรู้ประโยคอธิกรณ์ 4. รู้ความระงับอธิกรณ์ 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลควรพูดในสง์ภิกษุไม่ควรพูดในสงอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงองค์หคือ 1. กล่าวข่มคู่สกล่าวไม่ให้โอกาสผู้อื่น สมไม่โจทย์ตามอาบัตในธรรมและวินัยอันสมควรสไม่ปรับตามอาบัตในธรรมและวินัยอันสมควร 5. ไม่ชี้แจงตามความเห็นอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลไม่ควรพูดในสง์ภิกษุควรพูดในสง์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรพูดในสง์องค์หคือหนึ่งไม่กล่าวข่มขู สองกล่าวให้โอกาสผู้อื่นสามโจวตามอาบัตในธรรมและวินัยอันสมควรสี่ปรับตามอาบัตในธรรมและวินัยอันสมควร 5. ชี้แจงตามความเห็นอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลควรพูดในสงภิกษุไม่ควรพูดในสง์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อีกอย่างไม่ควรพูดในสง องห้าคือ 1. ไม่รู้อาบัตและอนาบัตสอไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนักสไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือสไม่รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยับห้าไม่รู้อาบัตที่ทําคืนได้และทําคืนไม่ได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองคหานี้แลไม่ควรพูดในสง์ภิกษุควรพูดในสง์อุบาลี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 ภกิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงฆ์องค์ห้าคือหนึ่งไม่รู้กรรมสองไม่รู้การทํากรรมสามไม่รู้วัตถุของกรรมสไม่รู้วัดของกรรมหไม่รู้ความระ ง, งับกรรมอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์ อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองห้าควรพูดในสงฆ์องห้าคือ 1. รู้กรรม 2. รู้การทำกรรมสรู้วัตถุของกรรมสรู้วัดของกรรมห้รู้ความระงับกรรมอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องห้านี้แหลควรพูดในสงฆ์ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกในหนึ่งอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงฆ์องค์หคือหนึ่งไม่รู้วัตถุสองไม่รู้นิทานสไม่รู้บัญญัติสไม่รู้บทที่ตกลนในภายหลังหไม่รู้ถ้อยคำอันเกี่ยวเนื่องกันอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรพูดในสงฆ์องค์ห้าคือหนึ่งรู้วัตถุสองรู้นิทานสรู้บัญญัติสรู้บทที่ตกลนในภายหลัง 5. รู้ถ้อยคำอันเขียวเนื่องกันอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรพูดในสงฆ์ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกในหนึ่งอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงฆ์องค์ห้าคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพระาะชังสามลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวหเป็นอรชีอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิก ษ, กษ at ุควรพูดในสงฆ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรพูดในสงฆ์ องห้าคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสาไม่ลำเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัวห้าเป็นลทัทธิอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองห้านี้แลควรพูดในสง์ภิกษุไม่ควรพูดในสงอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองห้าแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงองห้าคือ หนึลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสามลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวห้าไม่ฉลาดในพระวินัยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรพูดในสงฆ์องค์ห้าคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชังสมไม่ลำเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. ฉลาดในพระวินัยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรพูดในสงภิกษุไม่ควรพูดในสงอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อีกอย่างไม่ควรพูดในสงองค์ห้าคือหนึ่งไม่รู้ยติ สไม่รู้การทำยัตติสมไม่รู้อนุสาวนาแห่งยัตติสไม่รู้สมถะแห่งยัตติหไม่รู้ความระ ง, งับแห่งยัตติอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรพูดในสงฆ์องค์ห้าคือ 1. รู้ยัตติ2รู้การทำยัตติ สรู้อนุสาวนาแห่งยัติศรู้สมถะแห่งยัติ 5. รู้ความระงับแห่งยัติอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลควรพูดในสงฆ์ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงฆ์องค์หคือหนึ่งไม่รู้พระสูตรสไม่รู้ข้ออนุโลมพระสูตร สามไม่รู้พระวินัยสี่ไม่รู้ข้ออนุโลมพระวินัยห้าไม่ฉลาดในฐานะอันควรและฐานะอันไม่ควรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่ควรพูดในสงภิกษุควรพูดในสงอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรพูดในสงองค์หคือหนึ่งรู้พระสูตรสองรู้ข้ออนุโลมพระสูตร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 2. ไม่รู้ข้ออนุลมพระธรรมสไม่รู้พระวินัยสี่ไม่รู้ข้ออนุลมพระวินัย 5. ไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หาควรพูดในสงฆ์องค์ห้าคือหนึ่งรู้พระธรรมสองรู้ข้ออนุลมพระธรรม 3. รู้พระวินัยสรู้ข้ออนุโลมพระวินัย 5. ฉลาดในคำต้นและคำหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรพูดในสงฆ์วัวหารวักที่สาจบหัวข้อประจำวักภิกษุไม่รู้อาบัติไม่รู้อธิกรณ์กล่าวข่มขู่ไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุรู้อาบัติกรรมวัตถุควรพูดในสงฆ์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 ความเห็นที่ไม่ชอบทำท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการเปิดเผยความเห็นที่ไม่ชอบธรรมมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีการเปิดเผยความเห็นที่ไม่ชอบธรรมมีห้าอย่างคือ 1. การเปิดเผยความเห็นในอนาบัตสอการเปิดเผยความเห็นในอาบัตที่เป็นอเทศนาคามินี สการเปิดเผยความเห็นในอาบัตที่แสดงแล้ว 4. การเปิดเผยความเห็นพร้อมกัน 4- 5รูป 5. การเปิดเผยความเห็นด้วยนึกในใจอุบาลีการเปิดเผยความเห็น5อย่างนี้แลที่ไม่ชอบทมความเห็นที่ชอบธรรมอุบาลีการเปิดเผยความเห็นที่ชอบรรมมี5อย่างคือ 1. การเปิดเผยความเห็นในอาบัต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 การเปิดเผยความเห็นที่ไม่ชอบทำแม่อื่นอีก5อย่างคือ 1. การเปิดเผยความเห็นในสำนักพิสษุนานาสังวาด 2. การเปิดเผยความเห็นในสำนักภิสษุผู้อยู่ในสีมาต่างกัน 3. การเปิดเผยความเห็นในสำนักภิสษุไม่ใช่ประกตัตตะ 4. การเปิดเผยความเห็นพร้อมกัน4ถึง5รูป 5. การเปิดเผยความเห็นด้วยนึกในใจอุบาลี การเปิดเผยความเห็นห้าอย่างนี้แลที่ไม่ชอบรมความเห็นที่ชอบรมอุบารีการเปิดเผยความเห็นที่ชอบทำนี้มี5้าอย่างคือ 1. การเปิดเผยความเห็นในสำนักพิกสุสมานสังวาตสการเปิดเผยความเห็นในสำนักภิกสุผู้อยู่ในสีมาเดียวกัน 3. การเปิดเผยความเห็นในสำนักภิกษุผู้เป็นปะกะตะตะ 4. การไม่เปิดเผยความเห็นพร้อมกันสี่ถึงห้ารูปห้าการไม่เปิดเผยความเห็นด้วยนึกในใจอุบารีการเปิดเผยความเห็นห้าอย่างนี้แลที่ชอบทมการรับประเคนที่ใช้ไม่ได้ท่านพระอุบารีทูลถามว่าการรับประเคนที่ไม่ถูกต้องมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบารี การรับประเคนที่ใช้ไม่ได้มีห้าอย่างคือ 1. ของเขาให้ด้วยกายไม่รับประเคนด้วยกาย 2. ของเขาให้ด้วยกายไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 3. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายไม่รับประเคนด้วยกาย 4. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 5. ของเขาให้ด้วยการโยนให้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 ของที่ไม่เป็นเดนมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีของที่ไม่เป็นเดนมีห้าอย่างคือหนึ่งของที่พิสุยังไม่ได้ทำให้เป็นกระพิยะสองของที่พิสุยังไม่ได้รับประเคนสามของที่พิสุยังไม่ได้ยกขึ้นส่งให้สี่ของที่อยู่นอกคาถบาห้ 5. ของที่พิสุยังไม่ได้กล่าวว่าทั้งหมดนั่นพอแล้ว อุบาลีของที่ไม่เป็นเดนนี้มีห้าอย่างแลของที่เป็นเดนอุบาลีของที่เป็นเ ด, น, เ น, เดนมีห้าอย่างคือ 1. ของที่ภิกษุทำให้เป็นกัปปิยะแล้ว 2. ของที่ภิกษุรับประเคนแล้ว 3. ของที่ภิกษุยกขึ้นส่งให้แล้ว 4. ของที่อยู่ในหัตถบาท 5. ของที่ภิกษุกล่าวว่าทั้งหมดนั่นพอแลอุบาลี ของที่เป็นเดนนี้มีห้าอย่างแลการห้ามพัดท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการห้ามพัดย่อมปรากฏด้วยอาการเท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีการห้ามพัดย่อมปรากฏด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่งพิกษุกําลังฉัน 2. ทายกนําโภชนะมาถวาย 3. ทายกอยู่ในหัตถบาท สี่ทายกน้อมของถวายห้าภิกษุบอกห้ามอุบาลีการห้ามพัดย่อมปรากฏด้วยอาการห้าอย่างนี้แลปฏิญญาตะกระณะที่ไม่ชอบธรรมท่านพระอุบาลีทูลถามว่าปฏิญญาตะกระณะที่ไม่ชอบธรรมีเท่าไหร่น้อแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีปฏิญญาตะกระณะที่ไม่ชอบธรรมนี้มีห้าอย่าง คือหนึ่งุต้องอาบัติปราชิกถูกโจดด้วยอาบัติปราชิกแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัติสังฆาทิเศตสงปรับอาบัติสังฆาทิเศตพิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตะกรณะไม่ชอบธรรองพิษุต้องอาบัติปราชิกถูกโจดด้วยอาบัติปราชิกแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัติปาจิตติสงปรับอาบัติปาจิตติภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตะกรณะไม่ชอบธรรม 3. ภิกษุต้องอาบัติปาติเทสนิยะถูกโจทย์ด้วยอาบาัติปาติเทสนิยะแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัตทุกกฎสงปรับอาบัตทุกกฎภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตกรณะไม่ชอบธรรม 4. ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎถูกโจทย์ด้วยอาบัตทุกกฎแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบาัตปราชิก ทรงปรับอาบัติปราชิกภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตะกรณะไม่ชอบธรรม 5. ภิกษุต้องอาบัตทุกกฎถูกโจทย์ด้วยอาบัตทุกกฎแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศตปาจิตตีปาติเทสนิยะทรงปรับอาบัตปาติเทสนิยะภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตะกรณะไม่ชอบธรรมอุบาลีปฏิญญาตะกรณะห้าอย่างนี้แลไม่ชอบธรรม ปติญญาตะกรณะที่ชอบธรรมอุบาลีปฏิญญาตะกรณะที่ชอบธรรมนี้มีหอย่างคือ 1. ภิกษุต้องอาบัติปราชิกถูกโจทย์ด้วยอาบัติปราชิกปฏิญญาว่าต้องอาบัติปราชิกสงปรับอาบัติปราชิกพิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตะกรณะที่ชอบธรรม 2. ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษถูกโจทย์ด้วยอาบัติสังฆาทิเศษ ปฏิญญาว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศษสงปรับอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรม 3. ภิกษุต้องอาบัตปาจิตตีถูกโจทย์ด้วยอาบัตปาจิตตีปฏิญญาว่าต้องอาบัตปาจิตตีสงปรับอาบัตปาจิตตีภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรี่พิกษุต้องอาบัตปาติเทศนิยะ ถูกโจ á, ทด้วยอาบัต pues mm ปาติเทสนิยะปฏิญญาว่าต้องอาบัตปาติเทสนิยะสงปรับอาบัตปาติเทสนิยะภิกสุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตกรณะที่ชอบทำรม 5. ภิสุต้องอาบัตทุกกฏถูกโจทย์ด้วยอาบัตทุกกฎปฏิญญาว่าต้องอาบัตทุกกฎสงปรับอาบัตทุกกฎพิกสุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตกรณะที่ชอบรำอุบาล nah, ี ปฏิญญาตะกรณะห้าอย่างนี้แลที่ชอบทำไม่ควรทำโอกาสท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบไดยองค์เท่าไรน้อแลขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบไดยองค์ห้าขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสองค์ห้าคือ หเป็น阿拉ชีสองเป็นคนโง่เขลาสามไม่ใช่ปะกะตะตะ 4. เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้คลื่นจากศาสนา 5. ไม่เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้ออกจากอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสควรทำโอกาสอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าขอให้ทำโอกาส สงควรทำโอกาสองค์ห้าคือ 1. เป็นลัชี 2. เป็นบัณฑิตสเป็นประกะตะตะ 4. เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้ออกจากอาบัต 5. ไม่เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้เคลื่อนจากศาสนาอุบาลีภิกสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลขอให้ทำโอกาสสงควรทำโอกาสเมื่อควรสนทนาวินัย ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบไดยองค์เท่าไรหร่น้อแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนาวินัยกับผู้ประกอบไดยองค์ห้าองค์หคือหนึ่งไม่รู้วัตถุ 2. ไม่รู้นิทานสไม่รู้พระบัญญัติสไม่รู้บทที่ตกลนในภายหลัง หาไม่รู้ถ้อยคำอันเกี่ยวเนื่องกันอุบาลีภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลควรสนทนาวินยัยอุบาลีภิกษุทั้งหลายควรสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หองค์5คือ 1. รู้วัตถุ 2. รู้นิทาน3รู้บัญญัติ4รู้บทที่ตกล่นในภายหลัง ห้าโรอยคําอันเกี่ยวเนื่องกันอุบาลีภิกษุทั้งหลายคุณสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลเหตุที่ถามปัญหาห้าอย่างท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการถามปัญหามีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีการถามปัญหานี้มีห้าอย่างคือหนึ่ง ภิกษุถามปัญหาเพราะความเป็นผู้โง่เขลางมงาย 2. เป็นผู้ปรารถนาเลวทรามถูกความอยากครอบงำจึงถามปัญหาสามถามปัญหาเพราะดูหมิ่นสี่เป็นผู้ไม่ประสงค์จะรู้จึงถามปัญหาห้าถามปัญหาด้วยคำหนึ่งว่าถ้าเราถามปัญหาแล้วภิกษุจักพยากรณ์ได้ถูกต้องการพยากรณ์ดังนี้นั้นเป็นสิ่งดี แต่ถ้าเราถามปัญหาแล้วเธอจักพยากรณ์ไม่ถูกต้องเราก็จักพยากรณ์แก่เธออย่างถูกต้องอุบาลีการถามปัญหามีห้าอย่างนี้แหลการอวดอ้างมักผลท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการอวดอ้างมักผลมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีการอวดอ้างมักผลมีห้าอย่างคือหนึ่ง ภิกษุอวดอ้างมักผลเพราะความเป็นผู้โง่เขลางมงายสองเป็นผู้ปรารถนาเลวซามถูกความอยากครอบงำจึงอวดอ้างมักผลสามอวดอ้างมักผลเพราะวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่านสี่อวดอ้างมักผลเพราะสาคัญว่าได้บรรลุห้าอวดอ้างมักผลที่เป็นจริงอุบาลีการอวดอ้างมักผลมีห้าอย่างนี้แหละ วิสุทธิท่านพระอุบาลีทูลถามว่าวิสุทธิมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีวิสุทธินี้มีห้าแบบคือหนึ่งยกนิทานขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุเทธธที่เหลือด้วยอุสุตบทนี้จัดเป็นวิสุทธิแบบที่หนึ่งสองยกนิทานขึ้นแสดงยกปาราชิกสีขึ้นแสดงจบแล้ว พึงสวดอุเทที่เหลือด้วยสุตบทนี้เป็นวิสุธิแบบที่สองยกนิทานขึ้นแสดงยกปารชิกสีขึ้นแสดงยกสังฆาทิเศสส13ขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุเทที่เหลือด้วยสุตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่ส 4. ยกนิทานขึ้นแสดงยกปารชิกสีขึ้นแสดงยกสังฆาทิเศสสิขึ้นแสดง ยกอนิยตต2สองขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุเทธที่เหลือด้วยสุตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่ส 5- หยกขึ้นแสดงด้วยพิสดารทั้งหมดเป็นวิสุทธิแบบที่ห้าอุบาลีวิสุทธิมีห้าแบบนี้แลโพชนะห้าท่านพระอุบาลีทูลถามว่าโพชนะมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี โภชนะนี้มีห้าอย่างคือหนึ่งเข้าสุกสองขนมสดสขนมแห้งสปลาห้าเนื้ออุบาลีโภชนะมีห้าอย่างนี้แลทิฏฐาวิกรมรมะวัคที่สี่จบหัวข้อประจำวัค ก, การเปิดเผยความเห็นในอนาบัติการเปิดเผยความเห็นในอนาบัตการรับประเคนของที่เป็นเดน การห้ามพัดปฏิญญาตะกระณะการขอโอกาสการสนทนาการถามปัญหาการอวดอ้างมรผลวิสุทธิโพชนะ 5. อัตตาทานวั์ หมดว่าด้วยการรับหน้าที่เป็นโจดคุณสมบัติที่ผู้โจดพึงพิจารณาท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงพิจารณาคุณสมบัติภายในตนเท่าไหร่จึงจะโจดผู้อื่นได้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่น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 ประกอบด้วยความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ไม่เสียหายไม่บกพร่องภิกษุผู้โจ์นั้นย่อมถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางกายเสียก่อนเถิดภิกษุผู้โจ์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้สองอันหนึ่งภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือนอ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 ภิกษุผู้โจทนั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้ 4.1. ภิกษุผู้โจทประสงค์จะโจรผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้เราเป็นพระหูสูตรทรงสุตะมีการสั่งสมสุตตะหรือหนอเราได้สดับมากทรงจำได้แม่นยำคล่องปากขึ้นใจรู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งทํางามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐ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 ภิกษุผู้โจท์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านศึกษาพระปริยัติเสก่อนเถิดภิกษุผู้โจ์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้ 5. าอันหนึ่งภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจท์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้เราทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองได้แม่นยำโดยพิดารณาจำแนกถูกต้องจัดระเบียบถูกต้องวินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะหรือหนอ คุณสมบัติข้อนี้เรามีหรือไม่มีหนอถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้ทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองได้แม่นยำโดยพิสดารจำแนกถูกต้องจัดระเบียบถูกต้องวินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะตามข้อตามอักษรภิกษุผู้โจ์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านศึกษาพระวินัยให้ชำนาญเสียก่อนเถิดภิกษุผู้โจ์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้อุบาลี ภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงพิจารณาคุณสมบัติภายในตนห้าอย่างนี้จึงโจดผู้อื่นคุณสมบัติที่โจดพึงต pues nope. ั <iser> ้งไว้ในตนท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงตั้งคุณสมบัติเท่าไหร่ไว้ในตนพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่น พึงตั้งคุณสมบัติ5อย่างไว้ในตนคุณสมบัติ5อย่างคือ 1. เราจกโจทย์โดยการที่ควรจกไม่โจทย์โดยการไม่ควร 2. เราจักโจทย์ด้วยเรื่องจริงจกไม่โจทย์ด้วยเรื่องไม่จริง 3. เราจกโจทย์เลือกคำสุภาพจกไม่โจทย์เลือกคำหยาบ 4. เราจักโจทย์ด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์จกไม่โจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ หาเราจะมีเมตตาจิตโจรจกไม่มุ่งร้ายโจรอุบาลีภิกษุผู้โจรประสงค์จะโจรผู้อื่นควรตั้งคุณสมบัติหประการนี้ไว้ในตนจึงโจรผู้อื่นโจรควรใฝ่ใจถึงธรรมท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจรประสงค์จะโจรผู้อื่นควรใฝ่ใจธรรมเท่าไรไว้ในตนแล้วโจรผู้อื่นพระพุทธเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นควรใฝ่ใจทำห้อย่างไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นทำห้าอย่างคือ 1. มีความการุณสอมุ่งประโยชน์สมีความเอนดูสมุ่งออกจากอาบัติหยึดพระวินัยไว้เป็นแนวทางอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่น ควรใฝ่ใจทำห้าอย่างนี้ไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้ทำโอกาแท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรน้อแลขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าขอให้ทาโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสองค์ห้าคือ 1> 1. เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์สองเป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์สามเป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์สี่เป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดห้าถูกซักถามไม่อาจตอบข้อซักถามอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลขอให้ทำโอกาสสงฆ์ไม่ควรทำโอกาสองค์ของภิกษุผู้ควรให้ทำโอกาส อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หขอให้ทำโอกาสสงควรทำโอกาสองค์5คือ 1. เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ 2. เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์เป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ 4. เป็นบัณฑิตฉลาด 5. ถูกซักถามเข้าอาาตอบข้อซักถามอุบาลี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 ภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์พึงพิจารณาอย่างนี้ว่าข้อที่เราประสงค์จะรับอธิกรณ์นี้ถึงเวลาที่จะรับอธิกรณ์นี้หรือไม่ถึงหนอถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะรับอธิกรณ์นี้ถึงเวลาหามิได้ก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้นสองอันหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าถึงเวลาที่จะรับอธิกรณ์นี้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 ภิกษุนั้นพึงพิจารณายิ่งขึ้นอีกว่าเราเมื่อรับอธิกรณ์นี้จะได้ภิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบหากันมาเป็นพวกโดยชอบธรรมโดยชอบด้วยวินัยหรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเมื่อรับอธิกรณ์นี้ไว้เราจะไม่ได้ภิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบหากันมาเป็นพวกโดยชอบธรรมโดยชอบด้วยวินัยก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้นสีอันหนึ่ง ถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเมื่อรับอธิกรณ์นี้ไว้เราจะได้ภิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบหากันมาเป็นพวกโดยชอบธรรมโดยชอบด้วยวินัยภิกษุนั้นพึงพิจารณายื่งขึ้นอีกว่าเราเมื่อรับอธิกรณ์นี้ไว้อธิกรณ์นั้นจะเป็นเหตุให้สงบาทหมางทะเลาะแก่งแย่งวิวาทสงแตกกันสงร้าวรานสงแบ่งแยกสงเป็นต่างๆกันหรือไม่ ถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเมือ enfin, to, ja ่อรับอธิกรณ์นี้ไว้อธ Man ิกรณ์นั้นจะเป็นเหตุให้สงบาทหมางทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันสงแตกกันสงร้าวรานสงแบ่งแยกสงเป็นต่างๆกันก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้นอนหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเมื่อรับอธิกรณ์นี้ไว้อธิกรณ์นั้นจะไม่เป็นเหตุให้สงบาทหมางทะเลาะแก่งแย่ง วิวาดสงแตกกันสงร้าวรานสงแบ่งแยกสงเป็นต่างๆกันควรรับอธิกรณ์นั้นอุบาลีอธิกรณ์ซึ่งประกอบด้วยองค์ห้าที่ภิสุรับแล้วจกไม่กระทาให้เดือดร้อนในภายหลังด้วยประการฉนี้องค์ของภิกษุผู้มีอุปการะมากท่านพระอุบาลีทูลถามว่าพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรน้อแล เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ผู้ภิกษุก่ออธิกรณ์พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ผู้ภิกษุก่ออธิกรณ์องค์หคือ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยอการสังวรในปาติโมเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมทานศึกษาอยู่ในศึกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตตะทำเหล่านั้นใดที่งามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางและงามในที่สุดย่อมสรรเสริญพรมาจันพร้อมทั้งอาาัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะทำทั้งหลายเห็นปานนี้ย่อมเป็นอันเธอสดับมากทรงไว้สังสมด้วยวาจาเข้าไปเพ่งด้วยใจประจักษ์ชัดดีแล้วด้วยทิฏฐิส จำปฏติโมกทั้งสองโดยพิสดารได้ดีจำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะได้ดี 4. เป็นผู้ตั้งมั่นในพระวินัยไม่คลอนแคลน 5. เป็นผู้อาชีแจงให้คู่ต่อสู้ในอธิกรณ์ยินยอมเข้าใจเพ่งเห็นเลื่อมใสอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แล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 หถูกซักถามอาจให้คําตอบข้อซักถามอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ผู้ภิกษุก่ออธิกรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อีกอย่างเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกภิกษุก่ออธิกรองค์5คือ 1. รู้วัตถุ 2. รู้นิทาน 3. รู้พระบัญญัติ สี่รู้บทที่ตกหล่นในภายหลังหรู้ถ้อยคําอันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองคหานี้แหลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกภิกษุก่ออธิก่อนองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสักถามท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรน้อแลไม่ควรสักถามพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาลีภิกษ ist ุผู้ประกอบด้วยองค์หไม่ควรซักถามองค์ห้าคือหนึ่งไม่รู้พระสูตรสอไม่รู้ข้ออนุโลมพระสูตรสไม่รู้พระวินัยสไม่รู้ข้ออนุโลมพระวินัย 5. ไม่ฉลาดในฐานะอันควรและฐานะอันไม่ควรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่ควรซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรซักถามองค์ห้าคือ 1. รู้พระสูตรสองรู้ข้ออนุโลมพระสูตร3รู้พระวินัย4รู้ข้ออนุโลมพระวินัย 5. ฉลาดในฐานะอันควรและฐานะอันไม่ควรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรสักถามองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสักถามอีกในหนึ่ง อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรสักถามองค์ห้าคือ 1. ไม่รู้พระธรรม 2. ไม่รู้ข้ออนุโลมพระธรรมสไม่รู้พระวินัยสไม่รู้ข้ออนุโลมพระวินัย 5. ไม่ฉลาดในคําต้นและคำหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลไม่ควรสักถามองค์ของภิกษุผู้ควรสักถาม อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรซักถามองค์ห้าคือ 1. รู้พระธรรมสองรู้ข้ออนุโลมพระธรรมสรู้พระวินัยสรู้ข้ออนุโลมพระวินัย 5. ฉลาดในคําต้นและคำหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรซักถามองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกในหนึ่งอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อีกอย่างไม่ควรสักถามองค์หคือหนึ่งไม่รู้วัตถุสองไม่รู้นิทานสไม่รู้พระบัญญัติสไม่รู้บทที่ตกล่นในภายหลังหไม่รู้ถ้อยคําอันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลไม่ควรสักถามองค์ของภิกษุผู้ควรสักถามอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรสักถามองค์ห้าคือ 1. รู้วัตถุสองรู้นิทานสรู้บัญญัติสรู้บทที่ตกลนในภายหลัง 5. รู้ถ้อยคําอันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลควรซักถามองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสักถามอีกในหนึ่งอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรสักถามองค์ห้าคือหนึ่งไม่รู้อาบัตสองไม่รู้สมุทฐานแห่งอาบัตส 3. ไม่รู้ประโยคแห่งอาบัตสี่ไม่รู้ความระ ง, งับอาบัติ5ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลไม่ควรสักถามองค์ของภิกษุผู้ควรสักถามอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบได้องค์5ควรสักถามองค์5คือ 1. รู้อาบัติ2รู้สมุทฐานแห่งอาบัต 3. รู้ประโยคแห่งอาบัต 4. รู้ความระงับอาบัตห 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์5นี้แลควรซักถามองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสักถามอีกในหนึ่งอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม่อีกอย่างไม่ควรซักถามองค์5คือ 1. ไม่รู้อธิกร 2. ไม่รู้สมุทฐานแห่งอธิกรณสไม่รู้ประโยคแห่งอธิกรสไม่รู้ความระ ง, งับอธิกร 5. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหละไม่ควรซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรซักถามองค์หคือ 1. รู้อธิกร2รู้สมุทฐานแห่งอธิกร3รู้ประโยคแห่งอธิกร 4. รู้ความระ ง, งับอธิกร 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลควรซักถามอัตตาทานวรักที่หจบหัวข้อประจำวัก ภิกษุผู้มีความประพฤติทางกายวาจาบริสุทธิ์ภิกษุผู้กล่าวโดยการมีความการุณควรเป็นผู้โจดการทำโอกาสการรับอธิกรณ์อธิกรณ์และการรับอธิกรณ์อีกในหนึ่งภิกษุผู้รู้วัตถุรู้พระสูตรรู้ธรรมรู้วัตถุอีกในหนึ่งรู้อาบัติรู้อธิกรณ์